สัญญาเป็นอย่างไรคือสัญญาหประการ น, นี้ได้แก่ 1. รูปสัญญาความหมายรู้รูป 2. สัทธสัญญาความหมายรู้เสียง 3. คันทสัญญาความหมายรู้กลิ่น 4. ระสะสัญญาความหมายรู้รส 5. ้าโภภพธะสัญญาความหมายรู้โภภพธะหก ธรรมสัญญาความหมายรู้ธรรมารมนี้เรียกว่าสัญญาเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งสัญญาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แหลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือ 1. สัมมาทิฏฐิและถึง8สัมมาส ม, มาธิภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดสัญญาอย่างนี้และถึงสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสังขารเป็นอย่างไร คือเจตนาหกประการ น, นี้ได้แก่ 1. รูปสัญญเจตนาความจำนงรูป 2. สัทสัญญเจตนาความจำนงเสียง 3. คันธสัญญเจตนาความจำนงกลิ่น 4. ร่รสสัญญเจตนาความจำนงรส 5. โพธพ ภ, ภสัญญเจตนาความจำนงโพธิภะ ธรรมสัญญเจตนาความจำนงธรรมมารมณนี้เรียกว่าสังขารเพราะความเกิดขึ้นแห่งภัสสะความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมีเพราะความดับแห่งภัสสะความดับแห่งสังขารจึงมีอริยมรรคมีองค์8ดนี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาส ม, มาธิ สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัิสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับสังขารทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณนะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่า มั่นคงในธรรมวินัยนี้สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชาติสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไปไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราม์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพรามเหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ า, มม า, ม า, วาไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีก เป็นอย่างไรคือวิญญาณหกประการนี้ได้แก่ 1. จกักขววิญญาณความรู้อารมณ์ทางตาสโสตาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหู 3. าคานาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูก 4. ี่ชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้น 5. กายาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจนี้เรียกว่าวิญญาณเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจึงมีเพราะความดับแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณจึงมีอริยมรรคมีองค์8ดนี้แหละเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธิ สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชาติวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่า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 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกอุปาทานะปริปวัตนะสูตรที่สจบ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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะเจดประการผู้เพ่งพินิษ์โดยวิธีสวิธีเราเรียกว่าอุดมบุรุษผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้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 ห้ารู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณ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 ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและเครื่องสลัดออกจากรูปอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกําหนัดเพราะดับไปเพราะไม่ถือมั่นรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว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 อริยมรคมีองค์แปดนี้แหลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาคือหนึ่งสัมมาทิชฌ์ละถึง 8. สัมมาส ม, มาธิสภาพที่สุขสมมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเวทนาธรรมเป็นที่กาจัดฉันทราคะ ทำเป็นที่ละฉันทราคะในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและเครื่องสลัดออกจากเวทนาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนับเพื่อดับเวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวิ น, นัยนี้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเวทนาละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีก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 ความดับแห่งสัญญาจึงมีอริยมรรคมีองค์8ดนี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือ 1. สัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาส ม, มาธิและถึงสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีก สังขารเป็นอย่างไรคือเจตนา6ประการนี้ได้แก่ 1. รูปสัญญเจตนาและถึง 6. ธรรมสัญญเจตนานี้เรียกว่าสังขารเพราะความเกิดขึ้นแห่งพัสสะความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมีเพราะความดับแห่งพัสสะความดับแห่งสังขารจึงมีอริยมรรคมีองค์8ดนี้แลเป็นปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งสังขารคือ 1>, 1. สัมมาธิทฐิและถึง 8. สัมมาส ม, มาธิสภาพที่สุโสงมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งสังขารสภาพที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสังขารทำเป็นที่คาจัดฉันทราคะทำรรเป็นที่ละฉันทราคะในสังขารทั้งหลายนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารละถึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า มั่นคงในธรรมวินัยนี้และถึงสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกวิญญาณเป็นอย่างไรคือวิญญาณหัวประการนี้ได้แก่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 อริยมรรคมีองค์แปดนี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาส ม, มาธิสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งวิญญาณสภาพที่วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งวิญญาณธรรมเป็นที่กาจัดชั้นทราคะ ทำเป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาที่ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณเครื่องสลัดออกจากวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณ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 สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกภิกษุชื่อว่าผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการเป็นอย่างนี้ภิกษุผู้เพ่งพินิจโดยวิธีสวิธีเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เพ่งพินิษเป็นธาตุ 2. เพ่งพินิษฐเป็นอายตนะ 3. เพ่งพินิษเป็นปฏิจจสมุปบาทภิกษุชื่อว่าผู้เพ่งพินิษโดยวิธีสวิธีเป็นอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะเจประการผู้เพ่งพินิษโดยวิธีสวิธีเราเรียกว่าอุดมบุรุษ ผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบโพรมจรันในธรรมวินัยนี้สัตตัฐานสูตรที่หจบหกสัมมาสัมพุทธสูตรว่าด้วย เหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปบัณฑิต จ, จึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปเราก็เรียกว่าผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นเวทนาบัณฑิตจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายละถึง เราก็เรียกว่าผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกาหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นสัญญาสังขารวิญญาณบัณฑิต จ, จึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกําหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณ เราก็เรียกว่าผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาในเรื่องนั้นจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรคือระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญามีอะไรต่างกันภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทาของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นา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 ส่วนเหล่าสาวกในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินไปตามทางอยู่เป็นผู้ตามมาในภายหลังนี้แลเป็นความผิดแพกแตกต่างกันระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาสัมมาสัมพุทธสูตรที่หจบ อนัตตลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมรกคทายวันเขตรงพาลณสีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกพระปัญจวคีมาตรัสว่าละถึงแล้วได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา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 ฉะนั้นสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารว่าสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณนี้จกเป็นอัตตาแล้วใช้วิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น ก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเรายาได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข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 สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันละถึงไกลหรือใกล้ก็ตามสังขารทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ ง, ท, งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียด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 ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่โจโพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตาลักษณะสูตรนี้จบแล้วพระปัญจวคีมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณ์พาสิทธ์นี้อยู่พระปัญจวคีก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมันอนัตตาลักษณะสูตรที่7จบ มหาลิสูตรว่าด้วยเจ้ามหาลิข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนกะูตาคารสาลาป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านปุโรณกัสปะกล่าวอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบริสุทธิ์เองในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลิ ความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยเศร้าหมองอย่างไรมหาลิ หากรูปนี้จากได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกไม่อย่งลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในรูปแต่เพราะรูปเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่งลงสู่ความทุกเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในรูปเพราะกหนัดจึงถูกรูปผูกไว เพราะถูกรูปผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากเวทนานี้จากได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่ยังลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็มีพึงติดใจในเวทนาแต่เพราะเวทนาเป็นสุขมีสุขติดตาม ยังลงสู่ความสุขไม่อยังลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในเวทนาเพราะกำหนัดจึงถูกเวทนาผูกไว้เพราะถูกเวทนาผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากสัญญานี้ละถึง หากสังขาร น, นี้จะได้เป็นทุกข์ส่วนเดียวมีแต่ทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในสังขารแต่เพราะสังขารเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในสังขารเพราะกําหนัดจึงถูกสังขารผูกไว้ เพราะถูกสังขารผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อวความเศร้ามองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้ามองอย่างนี้หากวิญญาณ น, นี้จะได้เป็นทุกส่วนเดียวมีแต่ทุกติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในวิญญาณแต่เพราะวิญญาณเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุข ไม่ย่งลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในวิญญาณเพราะกำนัดจึงถูกวิญญาณผูกไว้เพราะถูกวิญญาณผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญส่วนเหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไร สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยบริสุทธิ์อย่างไรมหาลิหากรูปนี้จะได้เป็นสุขส่วนเดียวมีแต่สุขติดตามยังลงสู่ความสุขไม่ยังลงสู่ความทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะรูปเป็นทุก์มีทุกติดตามยังลงสู่ความทุกไม่ยังลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูป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 หากวิญญาณนี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวมีแต่สุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่ยังลงสู่ความทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณแต่เพราะวิญญาณเป็นทุกข์มีทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่ยังลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจึงบริสุทธิ์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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอาทิตตสูตรที่9จบ